วันนี้เป็นวันเสาร์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชทานเพลิงศพของพระบร ม, มศาสดาพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่ได้ทรงเสด็จดับขันบปรณิ พ, พานไปในวันเพ็ญเดือนหกแปดวันก่อนหน้านี้ หลังจากที่ได้ทรงเสด็จดับขันธ์พานิพานแล้วก็ได้มีการตั้งศพไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะเป็นครั้งสุดท้ายเจ็ดวันเจ็ดคืนพอมาถึงวันที่แปดคือวันนี้ก็มีการถวายพระเพลิงต่อพระสพของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็มีอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันคือมีชายคนหนึ่งที่มีความสงสัยอยากจะทราบว่าศาสนาหรือคำสอนของผู้ใด เป็นศาสนาเป็นคำสอนที่ถูกต้องที่จะนำพาผู้ปฏิบัติได้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดชายคนนี้อยากจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งใกล้จะถึงเวลาที่จะจากพวกเราไป พระอานุ์ก็ไม่อยากจะให้เข้าไปเฝ้าแต่พระพุทธเจ้าทรงได้ยินจึงบอกให้อานุ์อนุญาตให้นําชายคนนี้เข้าไปเฝ้าได้เมื่อได้เฝ้าก็ได้ทูลถามว่าศาสนาใดคําสอนใดเป็นศาสนาเป็นคําสอนที่ถูกต้องที่จะนําให้ผู้ที่ปฏิบัติตาม ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าศาสนาใดคำสอนใดที่มีมรรคเป็นองค์แปดเป็นคำสอนศาสนานั้นก็จะเป็นศาสนาที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องสามารถนำพาผู้ปฏิบัติ ให้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มักที่มีองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกับโปความดำริชอบสัมมากรรมันโตการกระทำชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมาอาชิวะอาชีพชอบ สัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติและสัมมาสมาธินี่คือมรรคที่มีองค์แปดเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่เองปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร ศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีวส ม, มาธิก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาส ม, มาธินี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าตอนที่ใกล้จะเสด็จดับขันธปริญญิพานไปแล้วก็มีคำสอนที่ตัดไว้ว่า พธรรมวีนัยคือคำสอนของเรานี่แหละที่จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปหลังจากที่เราได้จากพวกเธอไปแล้วก็คือพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่เราสามารถยึดไวเป็นครูเป็นอาจารย์แทนพระพุทธเจ้าได้ถ้าเรา มีคสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของพวกเราเราก็จะมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของพวกเราและคำสอนครั้งสุดท้ายตอนก่อนที่จะจากไปก็ทรงตรัสสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงหนอมี เกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาจงไปจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด น, นี่เป็นคำสั่งคำสอนครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าพระปฏิบัมิโมวาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสอะไรอีกเลยแล้วพอส่งได้ จากพวกเราไปแล้วก็มีการเก็บพระศพไว้เจวันเจดคืนเพื่อสักเพื่อกบาบไหวสักการะบูชาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพอวันที่8คือวันแรม8ปค่เดือนหเหมือนกับวันนี้ก็มีการชาปนกิจมีการถวายพระเพิงพระศพของพระพุทธเจ้านี่ก็คือวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่พวกเราชาวพุทธจะได้มาทำการกราบไหว้าสาักการะบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาด้วยการประพฤติด้วยการกระทาตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเรายังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ความไม่ประมาทก็คือไม่ผัดวันต่อการพร่งให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของพวกเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะไปเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้ถ้าไปคิดว่าจะอยู่ไปถึงอายุ 80-90 ปีก็จะถือว่าเป็นการประมาทการไม่ประมาท ก็ต้องคิดว่าชีวิตของเราอาจจะหมดได้ในเวลาใดก็ได้วันนี้ก็ได้คืนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะไม่ได้ตายด้วยอายุไขแต่อาจจะตายด้วยอุบัติเหตุอาจจะตายด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่ตางๆจึงไม่ควรประมาทนอนใจควรรีบ ใช้เวลาของชีวิตที่มีอยู่ในขณะนี้ให้ยังให้ถึงให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดได้ประโยชน์ที่แท้จริงประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์ที่แท้จริงก็คือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละคือประโยชน์ที่พระเจ้าทรงหมายถึงให้พวกเรา พย า, ยาปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากที่เราได้หลุดพ้นแล้วเราก็มาทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอีกต่อนหนึ่งด้วยการสั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักทางที่จะพาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญได้ทรงปฏิบัติมา ในเบื้องต้นพระองค์ก็ท่งยังประโยชน์ของพระองค์ก่อนด้วยการบำเพ็ญมรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาจนได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานแดนที่มีแต่ความสุขแดนที่ไม่มีความทุกข์แล้วหลังจากนั้น ก็ส่งนำความรู้นำวิธีการปฏิบัตินี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกตอนหนึ่งผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ด้วยตนเอง mm. ก็มีโอกาสที่จะได้รู้ทางและได้ปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นจํานวนมากมายอันนี้คือประโยชน์ของผู้อื่นที่จะตามมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ยังประโยชน์ของพระพุทธเจ้าก่อนคือได้หลุดพ้นก่อนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเมื่อได้เป็นแล้วก็ทรงนําความรู้ นำวิธีการปฏิบัตินี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้หลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่นานก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรง สั่งสอนในระยะแรกๆนี้เป็นบัวเหนือน้ำคือเป็นผู้ที่มีจิตพร้อมที่จะรับคำสอนและบรรลุได้อย่างรวดเร็วเพราะพวกที่เป็นเลือกพวกที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำนี้เป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิพร้อมอยู่แล้วขาดเพียงปัญญาเท่านั้น ปัญญาที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงนำเอาปัญญาที่พระองค์ได้ทรงตัดสรุนีมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกจะไม่มีสัตว์โลกตัวใดคนใดเลยที่จะสามารถบรรลุ ถ, ถึงพันิผ่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประกาศพระธรรมคำสอนจะไม่มีพระอาหารหันตาสาวกปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเพียงไม่กี่เดือนก็มีพระอาหารหันตาสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนนับพันขึ้นไปนี่คือความมหาศ ร, ร์ของ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สามารถทําให้ผู้ที่ไม่รู้รู้ได้ทําให้ผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้หลุดพ้นสามารถปฏิบัติให้หลุดพ้นได้เพราะการที่พระ อ, องค์ทรงยังประโยชน์ของพระ อ, องค์ก่อนนั่นเองถ้าพระ อ, องค์ไม่ได้ตัดจรู้แล้ว ไปสั่งสอนผู้อื่นก็จะไม่สามารถสั่งสอนให้เขาได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระองค์เองก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะไปสอนให้ผู้อื่นหลุดพ้นได้อย่างไรพระองค์จึงไม่สนใจในขณะที่ทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นของพระองค์ พระองค์ไม่สนใจว่าใครจะพูดว่าเห็นแก่ตัวการเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเห็นแก่ตัวแต่เป็นปัญญาเป็นความฉลาดของคนฉลาดถ้ามัวไปช่วยเหลือผู้อื่นทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองอยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อะไรอย่างไรช่วยก็ไม่สามารถช่วยให้ได้ประโยชน์ที่สูงสุดอาจจะช่วยสอนให้รักษาศีลสอนให้นั่งสมาธิได้แต่จะไม่สามารถสอนให้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาได้เพราะยังไม่มีใครรู้รู้ปัญญารู้สัมมาทิฏฐิว่าเป็นอะไรนั่นเอง ดังนั้นพระองค์ตอนที่จะจากพวกเราจึงได้ทรงตัดไว้ว่าจงยางประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนแล้วค่อยยังประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเราควรที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นก่อนแล้วค่อยไปสั่งสอนผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นแล้วเราไปช่วยเหลือผู้อื่นผู้อื่นก็จะไม่ได้หลุดพ้นเราก็จะไม่ได้หลุดพ้นดังนั้นเราต้องรู้จักแยกแยะหรือจัดการจัดลำดับของความสำคัญของสิ่งที่เราจะต้องกระทาว่าเราควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลัง สิ่งที่เราควรจะกระทําก่อนก็คือปฏิบัติให้เราหลุดพ้นก่อนหลังจากที่เราหลุดพ้นแล้วเราค่อยไปสอนผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทํามาพระองค์ใช้เวลา6ปีในการบําเพ็ญเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วหลังจากนั้นอีก45ปีพระองค์ได้ใช้ เวลานั้นช่วยเหลือผู้อื่นสั่งสอนผู้อื่นพระองค์ทรงมีภารกิจประจำวันอยู่5ประการด้วยกันสประการสี่ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นและข้อที่5นี้เป็นการช่วยเหลือร่างกายของพระองค์คือการทรงออกบินทบาท ทรงออกบินตบาบ้านี้เป็นภารกิจประจำวันที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องจนถึงวาละที่สังขารไม่สามารถที่จะกระทำได้แล้วภารกิจอีกสี่ข้อที่ทรงบำเพ็ญทุกวันก็คือการอบรมสั่งสอนผู้อื่นเช่นในยามบ่ายก็ส่งอบรมสั่งสอน กาลวาดญาติโยมในยามค่ำก็ทรงสั่งสอนภิกษุสา ม, มเณรภิกษุณีในยามดึกก็ทรงสั่งสอนเทวดาและในยามใกล้รุ่งตอนก่อนที่จะทรงออกบินธบาทก็จะทรงเล็งยานดูว่าจะไปทรงสอนผู้ใดในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ใดพร้อมที่จะรับพระธรรมของพระองค์ในวันนั้นพร้อมที่จะได้รับประโยชน์ก็จะมุ่งไปสู่บุคคลนั้นนี่คือการยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นแล้วแต่ในช่วงที่ทรงบำเพ็ญหกปีนั้นไม่ได้ทรงสั่งสอนใครเลย สั่งสอนแต่พระองค์ตัวพระองค์เองสั่งสอนให้ปฏิบัติอย่างเข้มข้นสั่งสอนให้สร้างมรรคขึ้นมามรรคที่มีองค์8ตอนนั้นก็ทรงสร้างได้แค่มรรคที่มีองค์6ก็คือสร้างศีลได้แก่สัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชิโก สัมมากัมมันโตก็คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีสัมมาวาจาก็คือการละเว้นจากการพูดปดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจอ้อการพูดส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีนี่คือสัมมาวาจา และสัมมารกรรันตตที่เป็นองค์ประกอบของศีลแล้วก็มีอาชีพที่ชอบอาชีพที่ชอบของผู้ออกบวชก็คือการบินตบาดโปรดสัตยินดีตามมีตามเกิดตอนเช้าถึงเวลาก็อุ้มบาทเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็เดินไปโดยที่ไม่ขอไม่พูด เดินไปปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาของผู้ให้ผู้ใดมีศรัทธาอยากจะใส่บายก็ใส่ถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องใส่แต่จะไม่ขอแบบขอทานยงเรียกว่าเป็นการบินทบาทโปรดสัตว์การบินทบาตโปรดสัตว์นี้ก็คือเปิดเปิดโอกาสให้สัตว์ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้มีโอกาสทำบุญนั่นเอง ถ้าไม่มีพระมาะบินทบาตผู้ที่อยากจะทำบุญก็จะไม่ได้ทำบุญกับพระก็จะต้องทำบุญกับอย่างอื่นเช่นทำบุญกับสัตว์เดรจฉานให้อาหารสัตว์ให้อาหารสุนัขเป็นต้นหรือให้อาหารกับคนยากจนการทำบุญกับบุคคลนั่นก็มีอานิสงส์ต่างกัน การทำบุญกับพระนี้ก็จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเวลาที่ไปใส่บาตรหรือไปทำบุญที่วัดก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาก็จะได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ยินได้ฟังในเรื่องที่ผู้คลองเรือนจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็จะได้รับประโยชน์ มากกว่าการให้อาหารแก่สัตว์ในราจฉานหรือขอทานเพราะสัตว์ในราจฉานหรือขอทานนี้เขาไม่มีความรู้ทางด้านศีลธรรมทางด้านธรรมะก็จะไม่มีไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรการได้ทําบุญกับพระได้สายบาดกับพระจึงถือว่าเป็นการได้บุญมากกว่าการทําบุญกับอขอทานเรือ หรือสัตว์เดราชฉานอันนี้ก็คือสัมมาอาชีวะของนักบวชพระพุทธเจ้าทรงถือภารกิจการบินทบาทนี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักบวชทรงสอนพระที่บวชใหม่เลยตั้งแต่วันบวชในวันแรกว่าให้บินทบาทเลี้ยงชีพไปตลอดชีวิตแล้วก็ยัง ส่งสอนหรือทรงกําหนดไว้ในทุโดงควัตทูดงควัตนี้คือข้อปฏิบัติเข้มข้นสําหรับผู้ที่ต้องการจะเสริมความเพียรสนับสนุนการปฏิบัติให้ไปได้อย่างรวดเร็วได้บรรลุอย่างรวดเร็วต้องอาศัยการถือทูดงควัตที่มีอยู่สิบสามข้อด้วยกัน ข้อหนึ่งก็คือการบินทบาทนอกจากนั้นแล้วทุดงควัตก็ยังมีข้อให้ฉันในบาทการฉันในบาทก็เพื่อให้ฉันแบบเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีจานหลายใบชามหลายใบเพื่อแยกอาหารชนิดต่างๆออกจากกันพอทรงให้ฉันด้วยปัญญา การฉันด้วยปัญญาก็คือฉันตามความเป็นจริงอาหารที่จะฉันนี่เดี๋ยวก็ต้องลงไปรวมกันในท้องจึงไม่จําเป็นที่จะต้องแยกใส่ถ้วยใส่ชามกันให้ใส่ไปในบาตรอันเดียวกันให้ถือบาตรนี้เหมือนกับเป็นท้องมีอยากจะรับประทานอาหารอะไรก็ใส่ไปในบาตร จะคุกจะคนมันก็ได้ไม่คุกไม่คนมันก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยบางท่านเห็นความเห็นประโยชน์จากการครุกอาหารที่ใส่ไปในบาตรเพราะช่วยตัดกิเลสตัณหาได้ดีช่วยกําจัดความยุ่งยากความวุ่นวายเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆที่ยัง ยังมีความรักมีความชอบมีความชังอยู่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้ก็เลยเอาไปรวมกันในบาศแล้วก็คนกันคุกมันเข้าไปให้เป็นอาหารอันเดียวเพื่อจะได้กินแบบไม่ชอบกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินเพื่อความอยากเพราะความอยากนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจเป็นตัวที่สร้าง ปัญหาต่างๆให้แก่จิตใจคือสร้างความทุกข์ใจสร้างการเวียนว่ายตายเกิดให้แก่จิตใจผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จ้องทําลายตันหาตัวนี้ตันหาที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารถ้าจู้จี้จุกจิกต้องกินอาหารนั้นอาหารนี้อาหารนั้นอาหาร น, าาร น, าารนี้กินไม่ได้เลือก ถ้าอย่างนี้แล้วเป็นนักบวชจะลำบากจะไม่สามารถที่จะอยู่แบบนักบวชได้ถ้าเป็นนักบวชนี้ต้องกินได้ทุกอย่างอาหารอันใดที่ชาวบ้านเขากินได้เราก็ต้องกินได้อาหารอันใดที่คนเขาใส่บาตรเขากินได้เราก็ต้องกินได้ไม่ใช่ไปบอกชาวบ้านคนใส่บาตรว่าอาตมาชอบอาหารอย่างนั้นชอบอาหารอย่างนี้ อาตมาไม่กินเนื้อชนิดนั้นไม่กินเนื้อชนิดนี้อาตมากินผักกินหญ้าอันนี้ไม่ใช่วิสัยของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ปฏิบัติจากการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นจะรับอาหารทุกชนิดที่ญาติโยมถทวายมายกเว้นอาหารที่มีเนื้อสัตว์ ที่ญาติโยมเป็นคนเป็นเป็นคนฆ่าเองแล้วก็มาเรียนให้พระทราบเช่นว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้ฆ่าไก่ทําแกงไก่มาถวายพระเดชพระคุณท่านเพราะอยากให้พระเดชพระคุณท่านได้รับประทานอาหารอันโอชาเพื่อข้าพเจ้าจะได้บุญมากๆากาพูดบอกกับพระอย่างนี้พระจะต้อง ไม่รับทันทีแล้วห้ามไม่ให้กระทำอย่างนี้ทันทีเพราะว่าเป็นการกระทำที่ไม่ควรคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาทำบุญอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีทำบุญแต่เป็นวิธีทำบาววิธีที่ทำบุญถ้าเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ <c oughs> ก็ให้ไปซื้อเนื้อสัตว์หรือเอาเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาทำอาหารแล้วถวาย แล้วก็ไม่ควรที่จะต้องบอกพระทำอะไรก็ทำแล้วก็ใส่บาตรไปแล้วก็ไม่ควรจะถามพระว่าอยากจะทานอะไรเพราะว่ามีคาพูดอยู่ว่าตักบาตรไม่ควรจะถามพระเรามีอะไรเราก็ใส่ไปได้บุญเหมือนกันไม่ต้องเอาใจถึงขนาดถามว่าหลวงพี่หลวงพ่ออยากจะฉันอะไร หนูจะหาอาหารที่หลวงพ่อหลวงพี่ต้องการมาถวายแต่อย่างนี้ก็เป็นการเสริมสร้างกิเลสตัณหาเพราะเวลาบอกว่าต้องการจะกินอะไรก็แสดงว่าอยากจะกินอย่างนั้นถ้าอยากจะกินอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ได้บวชมาเพื่อหลุดพ้นแต่บวชมาเพื่อติดกับของกิเลสตัณหาติดกับของการเวียนว่ายตายเกิด พระองถึงส่งสอนให้พระบินทบาตทการบินทบาตนี้มีประโยชน์หลายอย่างนอกจากที่จะทําให้มีความมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดแล้วยังทําให้มีความเพียรเพราะการเดินแต่บินทะบาทนี้สําหรับพระปฏิบัตินี้ท่านถือว่าเป็นการเดินจงกรมโปรดสัตว์ไปพร้อมๆกันเพราะขณะที่เดินบินฑบาทนี้จะไม่สติ มีสติจดจอ่ออยู่กับการเดินกับการรับบาทจะไม่ปล่อยจิตให้ใจคิดถึงอาหารต่างๆที่รับมาอยู่ในบาทรแล้คิดถึงอาหารที่อยากจะได้ไม่จะมีสติอยู่กับการเดินเวลาที่เดินและเวลาที่เปิดฝาบาทก็จะมีสติอยู่กับการเปิดฝาบาทเวลารับอาหารใส่บาทก็มีสติ อยู่กับบาตรไม่ดูหน้าคนไม่ดูอาหารดูบาตรให้เขาใสา่อาหารเข้าไปเสร็จแล้วก็ปิดฟ้าบาตรแล้วก็เดินไปเรื่อยๆปกติแล้วพระปฏิบัตินี้การเดินบินตาบาทนี้จะใช้การเดินเป็นระยะเวลาพอสมควรเมื่อก่อนถ้าวัดที่อยู่ ห่างจากหมู่บ้านก็จะอยู่กันประมาณ2กิโลกิโลกว่า2กิโลเดินไปกลับก็ประมาณ3กิโลแล้วเดินในละแวกบ้านอีกประมาณ1กิโลก็จะได้ทําความเพียรได้เดินจงกรมไปทําให้มีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านนี่คือประโยชน์ของการบินถบาน จะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะมีการออกกําลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอนอกจากการเดินบินตะบะแล้วพระปฏิบัตินี้จะมีการเดินจงกรมอยู่เป็นเวลาวันละหลายหลายชั่วโมงด้วยกันเพราะจะมีการสลับกันระหว่างเดินจงกรมกับการนั่งสมาธินี่คือ คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้เดินบินทบาทกันและตัวพระองค์เองก็ทรงปฏิบัติเป็นตัวอย่างสอนให้พระใหม่ตั้งแต่วันแรกให้บินทบาทเลี้ยงชีพแล้วก็สอนในทุดงควัตรว่าถ้าอยากจะกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างรวดเร็วก็ต้องให้ถือข้อวัดการบินทบาทนี้ พร้อมกับการถือข้อวัดอื่นเช่นการฉันในบาศเอาอาหารทุกอย่างที่ได้มาที่จะฉันนั้นใส่ไปในบาอาหารที่จะไปรวมกันในทองนี้ส่งสอนให้ใส่ไปในบาให้หมดเพื่อจะได้กําจัดการติดรสชาติของอาหารการติดรูปของอาหารเพื่อที่ได้ฉันดับกิเลสตัณหาไม่ได้ฉันเพื่อก่อกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นมา ให้ฉันในบาทแล้วก็ฉันมื้อเดียวฉันครั้งเดียวการฉันฉันครั้งเดียวก็เพื่อที่จะกําจัดตัณหาความอยากรับประทานอาหารนั่นเองให้ฉันเพื่อร่างกายรับประทานเพื่อร่างกายไม่ให้รับประทานเพื่อความอยากถ้ารับประทานเพื่อความอยากรับประทานวันสี่ห้าครั้งก็ไม่พอก็ยังหิวยังอยากอยู่เหมือนเดิม ให้ฉันเพื่อร่างกายรับประทานเพื่อร่างกายก็ฉันเพียงครั้งเดียวเหมือนกับการเติมน้ำมันรถยนต์เติมน้ำมันรถยนต์ก็เติมทีเดียวให้เต็มถังไปแล้วก็จะพอที่จะสามารถขับรถไปไหนมาไหนได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องมัวคอยแวะเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆการรับประทานอาหารวันละหลายหลายมือ้อก็เหมือนกับการเติมน้ามันททนนิเทลห น, น่อย เติมเติมไปปับ๊บหนึ่งวิ่งไปได้สักสองสามชั่วโมงน้ำมันก็หมดก็ต้องแวะจอดเติม น, น้ำมันอีกเสียเวลาวันห น, น, นึ่งเติมต้องสี่ห้าครั้งเติมไปทำไมเติมครั้งเดียวดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาการรับประทานอาหารวันละหลายห ล, ห ล, หลายครั้งก็เช่นเดียวกันเป็นการเสียเวลาของการปฏิบัติธรรมและเป็นการสร้างนิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนขึ้นมา เพราะทุกครั้งที่ได้รับประทานอาหารแล้วก็จะเกิดความง่วงนอนขึ้นมาจะไม่อยากนั่งสมาธิจะไม่อยากเดินจงกรมจะอยากนอนเวลานั่งก็สับประหกจึงเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับการบำเพ็ญปฏิบัติธรรมผู้บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจึงควรถือทุดงขวัดคือการรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอ ทุดงขวัตนี้สามารถปฏิบัติได้ทั้งกับผู้คลองเรือนผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังเป็นผู้คลองเรือนอยู่หรือนักบวชที่บวชเป็นพระใช้ได้เหมือนกันเพราะกิเลสของพระกับกิเลสของผู้คลองเรือนนี้ตัวเดียวกันชนิดเดียวกันอาวุธหรือสิ่งที่จะใช้ในการทำลายมันคือทุดงขวัตนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน ญาติโยมก็สามารถเอามาใช้ได้เช่นการฉันในบาทญาตโยมก็เอาชามใหญ่ๆ ห, หรือกะลมังเราก็เอาอาหารต่างๆที่จะรับประทานนั้นใส่ไปในชามใส่ไปในกะลมังอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการถือทุปองควัตแล้วก็ฉันวันละหนึ่งมื้อก็พอกิ น, นรับประทานวันละหนึ่งครั้งก็พอกินให้มันอิ่ นอกจากข้อบินบาตฉันในบาตรฉันมือเดียวก็ยังมีข้อที่ให้ถือก็คือการไม่รับอาหารหลังจากที่กลับมาจากบินบาตแล้วเช่นที่วัดป่ามั่ตตาในช่วงเข้าพรรษานี้จะมีการถือธุดงขวัดข้อนี้คือต้องการมักน้อยสันโดษนั่นเองคือต้องการอาหารที่ได้จากบินบาตก็พอเพียงแล้ว ไม่อยากจะเสียเวลาบบนทบาทรับบาทให้มากจนเกินไปแล้วอาหารที่ได้มามากๆ ก, ก็เป็นภาระที่จะต้องเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นทำให้เสียเวลาต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติท่านก็เลยจะถือทุดงกวาดข้อนี้ก็คือจะไม่รับอาหารหลังจากที่กลับมาจากบบนทบาทแล้วพอเข้าไปเขตนวัดแล้วจะยุติการรับบินทบาท ที่วป่าบ้านตาท่านถือว่าข้อวัดนี่มาญาติโยมที่อยากจะใส่บาตรก็เลยต้องมายืนรออยู่ที่หน้าประตูวัดกันจนกลายเป็นกลายเป็นสถานที่คนเต็มไปหมดต้องตั้งโต๊ะกันยาวเป็นกิโลเพราะมีคนอยากจะใส่บาตรขับรถมาจากที่ไกลก็เลยต้องมาดับใส่บาตรที่หน้าวัดกัน เพราะว่าหลังจากที่พระเข้าไปในวัดแล้วก็จะไม่รับอาหารบินตบาเอกเพื่อที่จะได้มีอาหารน้อยๆมีพอพอมีพอกินก็พอแล้วแต่มันกลับทำให้เกิดศรัทธาอย่างมหาศาลทำให้ผู้ที่อยากจะทำบุญอยากจะทำบุญกับพระที่มีความมักน้อยสันโดษก็เลยกลายเป็นมีอาหาร มาใส่บาตรกันแบบต้องมีคนมาคอยถือกำลังมังถ่ายอาหารออกจากบาตรครั้งละหลายหลายหลายๆครั้งด้วยกันแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะห้ามศรัทธาของผู้ใส่บาตรได้ผู้ใส่บาตรก็อยากจะได้บุญอยากจะทำบุญกับผู้ที่มีศีลมีธรรมก็เลยมาใส่บาตรกับพระธุดดง คำว่าพระทุดงก็คือพระที่ถือทุดงขวัตเนี่ยญาติโยมอาจจะเข้าใจความหมายว่าพระทุดงคือพระที่แบกกรดแล้วก็ไปอยู่ในป่าในเขาอันนี้ก็เป็นพระทุดงเหมือนกันแต่พระทุดงที่ไม่ได้แบกบุญแบกกรดก็มีเหมือนกันคือพระที่ถือทุดงขวัตนี้เราก็เรียกว่าพระทุดงพระทุดงที่แบกกรดแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาท่านก็ถือ ทุดงคาวัดเหมือนกันท่านก็ถือข้อบินตบาทข้อฉันในบาทข้อฉันมือเดียวเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านต้องการไปปลีกเว่เว่พราะเวลาอยู่ที่วัดนี้มีญาติโยมมาทําบุญกันมากทําให้ต้องเสียเวลากับการต้อนรับญาติโยมเสียเวลากับการจัดการสถานที่ เสียเวลากับการดูแลรักษาความสะอาดต่างๆของวัดวาอารามเพราะมีผู้มีจิตศรัทธามาทําบุญกันเป็นจนํานวนมากก็เลยไม่มีเวลาที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เท่าที่ควรยังอยากจะไปปลีกวิเวกไปหาที่สงบอยู่ในป่าคนเดียวเพราะเวลาไปอยู่คนเดียวนี้เวลาไปบิญฑบานก็จะมี ชาวบ้านใส่บาตไม่กี่คนนบิณฑบาตก็ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เสร็จพอกลับมาจากบิณฑบาตมาถึงที่พักก็ฉันได้เลยพอฉันเสร็จร่างบาตรเสร็จบางทียังไม่ถึงแปดโมงเช้าก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ปฏิบัติ ท, ทําได้ตลอดเลย แต่ถ้าอยู่ในวันนี้บางทีกว่าจะเสร็จภารกิจก็เกือบเที่ยงก็มีหลังจากที่ญาติโยมกลับไปแล้วก็ยังต้องมีการเก็บข้าวเก็บของมีการทำความสะอาดมีการทำอะไรต่างๆมากมายก็จะทำให้เสียเวลาและทำให้จิตใจนี่คิดปรุงแต่งไปกับเหตุการณ์ต่างๆการไปปีกวิเวกไปแบกกฎ ถือธุดงคาวัดที่เรียกว่าเป็นพระธุดงนี้ก็เพื่อที่จะได้ไปมีสถานที่สงบสงบไม่มีผู้ก่อุกพลานและจะได้มีเวลาบำเพ็ญอย่างเป็นที่นั่นเองแต่ผู้ที่ไม่ได้แบกกฎไปปีกวิเวกก็ยังถือว่าเป็นพระธุดงอยู่ถ้ามีการถือทุดงคาวัดข้อต่างๆเช่นการบินบาตเป็นวัดการฉันในบาตรเป็นวัด การฉันมือเดียวเป็นวัดการไม่รับปะทะการไม่รับอาหารหลังจากที่กลับมาจากบินทบาทเป็นวัดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อวัดขอของข้อทุดงคะวัดนอกจากนั้นก็ยังมีทุดงคะวัดที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก็คือให้ยินดีตามมีตามเกิดให้ยินดีกับสถานที่กุติที่ เขาจัดให้อยู่ไม่ให้เลือกว่าจะเอากุฏินั้นกุฏินี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่วัดไหนแล้วทางวัดเขาจัดที่อยู่ให้อยู่ตรงไหนก็ให้ยินดีกับที่เขาจัดให้อยู่เดี๋วว่าให้อยู่ตามโคนไมอ้อยู่ในป่าบางท่านนี้จะไม่อยู่วัดจะหาที่จะไปอยู่ด้ในป่าอย่างเดียวอย่าไม่เข้าเมือง อันนี้ก็เรียกว่าถือทุดงเข้าอยู่ในโคนไม้อยู่ในป่าเพราะการอยู่ในป่านี้เป็นสถานที่ร่มรื่นเป็นสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทาพะชนิดต่างๆที่จะมาสร้างความลำคาญใจสร้างกิเลส ต, ตัณหาให้เกิดขึ้นจะทำให้การบำเพ็ญทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากจึง ชอบแสวงหาที่อยู่ในป่าในเขากันอันนี้ก็เป็นทุดงขวัดเหมือนกันข้อวัดคือการอยู่แล้วข้อวัดที่เกี่ยวกับการใช้ผ้าก็ให้ยินดีกับผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนี้ก็คือผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นผ้าหอ่อศพหรือผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามกองขยะสมัยก่อน ในระยะแรกๆนี้จะไม่มีการถวายผ้าเป็นผืนๆเป็นพับๆให้กับพระพระนี้จองไปหาพระที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเช่นผ้าหอศพหรือผ้าที่ทิ้งตามกองขยะไปเก็บมาสะสมพอได้จำนวนพอที่จะมาตัดเย็บแล้วก็มาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรเสร็จแล้วก็ไปซักย้อมด้วยน้ำฝาน้ำที่ต้มด้วยแกนไม้ อันนี้เป็นผ้าบางสกุลซึ่งสมัยนี้ก็คงจะไม่มีแล้วเพราะสมัยนี้มีผ้าสําเร็จรูปที่ญาติโยมซื้อมาจากร้านมาถวายให้กับพระกันเป็นหลักแล้วก็ให้ถือผ้าเพียงสามผืนก็คือให้ใช้ผ้าเพียงสามผืนหนึ่งสำรับพระผ้าที่พระจําเป็นจะต้องมีนี้เรียกว่าผ้าไตจีวรมีอยู่สามผืนด้วยกันคือผ้า นุ่งหนึ่งผืนเรียกว่าสะบงผ้าห่มหนึ่งผืนเรียกว่าจีวรและผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืนเป็นผ้าสองชั้นเรียกว่าสังคติผู้ที่ถือถดทุดงขวัตมักน้อยสันโดษก็จะถือทุดงข้อนี้คือจะมีผ้าเพียงหนึ่งสำหรับก็พออันนี้ไม่นับกับผ้าที่เรียกว่าเป็นผ้าบริวารเช่นผ้าอาบน้ําฝนหรืออังสะ อันนี้ก็มีไปเท่าที่จําเป็นแต่ผ้าหลักผ้าหลักนี้จะมีเพียงหนึ่งหนึ่งสำรับหนึ่งชุดเท่านั้นเพื่อความสะดวกสบายเวลาไปทุดงไปไหนมาไหนก็จะได้ไปได้อย่างเบาอย่างสบายไม่ต้องแบกสัมภาระไปถ้ามีผ้าหลายๆสําหรับหลายๆชุดก็จะเป็นภาระต้องคอยซักคอยดูแลรักษา ก็จะทำให้เสียเวลาต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือข้อวัดที่เกี่ยวกับการมีผ้าใช้ผ้าบางสกุลใช้ผ้าสามผืนแล้วก็มีคือดงงวัดที่เกี่ยวกับความเพียรคือในสัจชิ ก, กคือการถือสามิรยมิยบทคือท่านั่งท่ายืายนและท่าเดิน จะไม่นอนจะไม่เพื่อที่จะได้ไม่ไม่นอนมากเกินไปถ้าจะหลับก็ขอให้หลับในท่าทั้งสามนี้ท่าใดท่าหนึ่งถ้าเดินหรือท่ายืนหรือท่านั่งเท่านั้นแต่จะไม่นอนในสาธชิกนี้ก็จะกาหนดเวลาวันที่จะปฏิบัติว่าจะเอาครั้งละกี่วันเช่นสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติแล้วก็แล้วแต่ว่าถูกกับจริตนิสัยของตนหรือไม่ถือเนสัตทิกแล้วทำให้ความเพียรก้าวหน้าการปฏิบัติก้าวหน้าหรือไม่ถ้าถือแล้วความเพียรการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าก็ไม่ต้องถือเพราะทุดงกวัสนี้ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นข้อทางเลือกพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมความเพียรของตน เหมือนกับรถยนต์ที่สามารถเลือกใช้น้ำมันชนิดพิเศษได้เช่นน้ำมันเครื่องเขาก็มีน้ำมันชนิดพิเศษให้ใช้น้ำมันเบนซินก็มีน้ำมันพิเศษให้ใช้สำหรับผู้ที่มีความปรารถนาที่จะให้รถยนต์ของตอนนั้นได้วิ่งมีพลังมากขึ้นได้วิ่งเร็วขึ้นก็จะเลือกใช้น้ำมันพิเศษต่าง สำหรับผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้เร็วขึ้นก็จะเลือกถือทูดองคขวัตข้อต่างๆอันนี้ก็คือการสั่งสอนการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องการบินทบาทนพระองค์ทรงถือการบินทบาทนี้เป็นอาชีพที่สำคัญของพระเป็นสัมมาอาชีวะึงสอนให้ บินทบาตสอนในข้อข้อสอนที่เรียกว่าคําสอนครั้งแรกให้แก่พระที่บวชใหม่หลังจากที่บวชพระนี้จะต้องสอนเรื่องอสิ่งที่ควรจะปฏิบัติสประการและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติสประการสิ่งที่ควรปฏิบัติสี่ประการก็คือหนึ่งการบิณฑบาตสองการถือผ้าบางสกุล การอยู่ในโคนอยู่ตามโคนไม้อยู่ในปา่าและการรักษาด้วยน้ำมูดการดื่มน้ำปัสสาวะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อันนี้คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติผู้บวชควรจะยินดีคนที่จะปฏิบัติและกิจที่ไม่พึงกระทำสี่ข้อก็คือหนึ่งไม่ควรเสพเมถุนก็คือไม่ควรเสพกามคือร่วมหลับนอนกับผู้อื่น ไม่คุไม่ฆ่ามนุษย์ไม่รักทรัพย์และไม่อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนนี่คือคำสอนที่พระจะสอนพระใหม่พอออกพอพอบวชเสร็จปั๊บก็จะต้องสอนคำสอนเหล่านี้ ท, ทันทีเพื่อที่จะได้ให้พระใหม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าไม่สอน แล้วไปเสพเมทุนนี้ก็จะถึงกับการขาดการเป็นพระได้เลยเพราะเป็นปาราชิกปาราชิก4ี่ก็คือการเสพเมทุนการฆ่ามนุษย์การลักทรัพย์และการปวดคุณวิเศษที่มีไม่มีในตนเช่นว่าได้บรรลุ ถ, ถึงทำขั้นนั้นขั้นนี้แล้วได้ฌานระดับนั้นระดับนี้แล้วแต่ถ้าเป็นการพูดที่เป็นความจริงนี้ไม่ถือว่าเป็นการอุด อวดคุณวิเศษเช่นเวลาแสดงทมสอนผู้อื่นก็สอนวิธีปฏิบัติให้ถึงทำขั้นนั้นขั้นนี้ถ้าสอนอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นการอวดคุณวิเศษแต่เป็นการสอนไปตามหลักของความเป็นจริงถ้าไม่มีในตนก็พูดไปว่าไม่มีในตนถ้ามีก็พูดได้นี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญต่อ การบวชของผู้ที่มาบวชโดยเฉพาะข้อบิณฑบาตนี้สอนในในกิจที่พึงกระทาสอนในทุดงควัตรและทรงเป็นผู้ปฏิบัติเองเป็นตัวอย่างทรงถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่เรียกว่าหนึ่งในพุทธกิจห้าก็คือการออกบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่คือธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ วาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่ได้จากพวกเราไปในวันเพ็ญเดือนหกแล้วในวันเพ็ญเดือนในวันแรม8ดค่ำคือวันนี้ก็ได้มีพิธีการถวายพระเพลิงเต่าพระศพของพระพุทธเจ้าพวกเราก็เลยมาร่วมกันแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชา ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนที่ทรงสอนให้ไปปฏิบัตินี้เอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะได้ได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่ไม่มีคำสอนใดในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้กับผู้ปฏิบัติได้คำสอนต่างๆความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คำสอนของศาสนาต่างๆ ไม่สามารถพาให้ผู้ปฏิบัตินั้นหลุดพ้นออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำเอาสัตว์โลกผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนนี้ให้เล็ดลอดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โอกาสที่พวกเราจะได้มาพบกับคําสอนอย่างนี้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆและพบกันได้บ่อยๆนานๆานานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในครั้งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในครั้งอาจจะเป็นครั้งเดียวหรือหรือน้อยครั้งที่จะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนเพราะว่าพระพระุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่คู่กับโลกไปตลอด พระพุทธศาสนานี้นานๆก็จะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่ได้ในอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะมีคำสอนมีพระพุทธศาสนานอันใหม่มาปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาที่ยาวนานมากเรียกว่าเป็นล้านล้านปีเป็นกับปีดังนั้นการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ จึงถือว่าเป็นโชคอันมหาศาลที่เราไม่ควรที่จะปล่อยให้หลุดมือไปเราควรที่จะรีบตักตวงพระธรรมคำสอนนี้เข้ามาสู่ใจเพื่อจะได้สอนให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้มีแล้วอยู่ที่เราว่าเราจะ คว้าโอกาสนี้หรือไม่ถ้าเราไม่คว้าโอกาสนี้เวลาที่เราตายไปแล้วข่าวต่อไปเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้อีกแล้วก็ได้และอาจจะไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาอีกเป็นเวลาอันยาวนานก็ได้เพราะจังหวะที่เรากับพระพุทธศาสนาจะมาเจอกันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายดายนั่นเองดังนั้น แล้วพวกเราจึงควรเรียกฉวยโอกาสอันดีนี้ด้วยการมาปฏิบัติบูบชากันมาฟังเทศฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ากันเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้นําเอาไปปฏิบัติกันแล้วพอเราปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเหตุและผลผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง การปฏิบัติที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการได้ยินได้ฟังคำสอนที่ถูกต้องดังนั้นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องฟังคำสอนกันหาคำสอนที่ถูกต้องฟังกันเมื่อได้คำสอนที่ถูกต้องแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามได้ถูกต้องแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด นี่เกิดเรื่องของการมารำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาขอให้ท่านจงปฏิบัติการไปเถิดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือจนกว่าจะบรรลุรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วผลต่างๆที่เราปรารถนากันก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาาฟุราฟาริกบริเอนติสากลังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปกปฏิอิจิตังปฏิิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุ สัพเพปเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยทามณิโชติอระโสยทาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโลกวีนัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีธีคายยโกภวะอภิวาธนศีลิสะนิจจังวุทฒาปะจายโน จตาโรโธมมาวาทานติอายุวโนสุังาาลำ ด, ดับต่อไปก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามปัญหาก็เชิญถามให้ถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมกันแล้วเราก็จะขอยุติการถามตอบปัญหาส่วนท่านที่อยากจะถามปัญหาสดขอความกรุณาร อ, อก่อนขอให้ปัญหาที่เขาถามมาที่เขาโพสไว้ใน Facebook หลายวันมาแล้วให้เขาได้ถามตอบไปก่อนแล้วพอคำถามหมดแล้วก็ถ้าต้องการจะถามก็ ถาามเข้า้าไดคําถามจากทางบ้านจากคุณน้ําใสเวลานั่งสมาธิบางครั้งรู้แต่หลายๆครั้งเป็นพวังคือว่างๆนิ่งๆทําอย่างไรจึงจะมีสติในรู้ในสมาธิคะก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆกก่อนที่จะมานั่งสมาธิคือตั้งแต่ตื่นเลยเราก็ควรที่จะสร้างสติกันประครับประคอง สติกันด้วยการบริกรรมพุทโธควบคู่ไปกับการทําภารกิจการงานต่างๆจะหยุดพุทโธก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการงานแต่ถ้าไม่มีไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดก็อย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพอ้อเจอ้อคิดเพอ้อฝันใช้พุทโธเดึงเอาไว้เพื่อใจจะได้มีสติมากขึ้น และเวลานั่งสมาธิจะได้ไม่หลับและอีกประการหนึ่งถ้านั่งแล้วหลับนี้ก็เป็นเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปควรจะลดประมาณการรับประทานอาหารลงผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสุขทางใจนี้ต้องเสียสละความสุขทางร่างกายไปอย่าไปหาความสุขจากทางร่างกายด้วยการรับประทานอาหารตามความพออกพอใจให้รับประทานตามพอประมาณ ให้ร่างกายไม่หิวก็พอแล้วไม่ถึงกับต้องอิ่มรับประทานอาหารของผู้ปฏิบัตินี้รับเพื่อดับรังรับความหิวไม่รับประทานจนกระทั่งรู้สึกอิ่มแน่นท้องขึ้นมาพอรับประทานรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็ให้ดื่มน้ำเข้าไปถ้าแก้วหนึ่งแล้วมันก็จะรู้สึกอิ่มขึ้นมาแล้วมันจะทำให้ไม่ง่วงนอนแล้วควรจะรับประทานมื้อเดียวได้ยิ่งดี เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการหลับนอนง่วงนอนถ้าเราอยากจะปฏิบัติมากๆเช่นในวันพระอย่างวันนี้เราถือศีลแปดกันรับประทานอาหารมื้อเดียวแล้วความง่วงนอนนี่มันจะหายไปคำถามจากคุณอัญญมณีสีฟ้าถ้าถูกคุณใสจะแก้ไขยอย่างไรคะ ก็ไม่ต้องแก้อะไรเหมือนก็ถูกน้ำถูกง้ำ ม, มันเปียกเราก็เช็ดตัวให้มันแห้งคุณใส่เขาจะทําอะไรเราอย่างไรเราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอย่างไรตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ท่านให้เชื่อกรรมอย่างเดียวอย่าไปทําบาปอย่างเดียวแล้วความวิบัติต่างๆความเสียหายต่างๆจะไม่เกิดขึ้นโทษต่างๆเกิดขึ้นก็เพราะการกรทําบาป ถ้าเราไม่ทําบาปแล้วจะไม่มีโทษเกิดขึ้นส่วนความแก่ความเจ็บความตายนี้จะมีคุณใส่หรือไม่มีคุณใส่มันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันความเจริญความเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรนมีเจริญก็มีเสื่อมได้แลมันไม่ได้เสื่อมเพราะคุณใส่มันเสื่อมเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันที่จะต้องเสื่อม ดังนั้นเวลาที่เราพบกับความเสื่อมในลาบยศสรรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อย่าไปคิดว่าเป็นคุณสงคุณใสให้คิดว่ามันเป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอนิจจังก็คือมีการเจริญมีการเสื่อมเป็นธรรมดาอนัตตาก็คือเป็นสิ่งที่เราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ แล้วถ้าเราอยากให้มันไม่เสื่อมเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราจะลาเรารู้ทันว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงพอลงเราก็ไม่ไปคิดวุ่นวายว่าเป็นคุณสงคุณใสให้ให้เหนื่อยไปบ่เปล่านี่คือความจริงที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชื่อกันให้เชื่อนในผลของบุญผลของบาปกัน และให้เชื่อในหลักของความเป็นธรรมดาของ ส, สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคาถามจากคุณตะวันเวลาเราใกล้าตายเราควรพิจารณาอย่างไรดีคะแล้วแต่คุณอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาเปแต่ควรที่ควรที่จะพิจารณาตอนที่ยังไม่ใกล้าตายจะดีกว่า พราถ้ามันใกล้าตายแล้วมันไม่มีสติสัังที่จะพิจารณาได้พระเจ้าถึงสอนให้คิดให้พิจารณาความตายก่อนที่จะใกล้าตายให้พิจารณาตั้งแต่บัดนี้ไปว่าร่างกายนี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องตายร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อถึงเวลาจะตายให้มันตายไปอย่าไปยืดมันไว้อย่าไปเหนียวรั้งมันไว้อย่าไปห่วงปล่อยมันถ้าปล่อยได้ใจจะสบายใจจะสงบ ทีนี้การจะปล่อยได้ไม่ได้ก็ต้องหัดเพราะอยู่ดีๆมันไม่ยอมปล่อยง่ายๆเพราะมันเป็นของรักของห่วงวิธีที่จะปล่อยก็ต้องมาฝึกทำใจให้สงบนั่งสมาธิเวลาใจสงบใจก็จะปล่อยร่างกายชั่วคราวถ้าเรารู้จักปล่อยแล้วพอถึงเวลาจะต้องปล่อยมันก็จะง่ายถ้าเราไม่รู้จักวิธีปล่อยทังเวลาปล่อยนี่ปล่อยไม่ได้เพราะมันปล่อยไม่เป็นมันรู้จัก มันรู้จักแต่ยึดอย่างเดียวเพราะนั้นตอนนี้เราต้องมาฝึกปล่อยร่างกายด้วยการฝึกทำสมาธิกันการจะทำสมาธิให้ได้ผลก็ต้องฝึกสติก่อนท่องพุทโธพุทโธไปควบควบู่ไปกับการกระทำอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องตายเพื่อ เพื่อจะได้นมนาวจิตใจให้ยอมรับความจริงและเมื่อถึงเวลาที่พบกับความจริงจะได้ไม่ฝืนความจริงจะได้ปล่อยถ้ามีสมาธิแล้วมีปัญญาก็จะปล่อยได้อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายคำถามจากคุณชาลีขณะปฏิบัติกำหนดพุทโธไปเรื่อยๆพร้อมกับร่างกายที่เคลื่อนไหวเองซึ่งเราบังคับไม่ได้ขณะนั่งสมาธิ จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ร่างกายหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวเองแล้วจากนั้นจะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกหนูควรปฏิบัติต่ออย่างไรคะถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นั่งสมาธิก็ไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาก็ควรจะไปหาหมอเพราะอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่สบายแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลานั่งสมาธินี้ มักจะเป็นเรื่องที่เกิดจากกิเลสตันหามันสร้างขึ้นมาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราภาวนาไปเรื่อยอยู่กับพุทโธไปเรื่อยหรืออยู่กับลมไปเรื่อยพอเวลาใจสงบแล้วความรู้สึกต่างๆเหล่านี้มันก็จะหายไปเองถ้ามันไม่หายออกจากสมาธิมายังเป็นอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องปัญหาของทางร่างกายที่จะต้องให้แพทย์เขาตรวจดูว่ามันเป็นอะไร คำถามจากคุณวิวองทำกับข้าวด้วยไขย่ผีศิงข้อหนึ่งหรือเปล่าคะไข่นี้เราคิดว่าเขาไม่ได้ถือว่ามีตัวมีตนมันไข่ที่เขาขายนี่มันไม่มีตัวตนนะฮะเขาก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ไม่ผิดศีลคำถามจากผู้ฝากถามข้อหนึ่งเทศนาเรื่องอยู่กับหมู่คณะของหลวงปู่ล่า ท่านพูดถึงการรับคนเข้าสํานักหนักเท่าแผ่นดินอันนี้หลวงปู่มั่นเคยพูดบางครั้งมอบให้สงเป็นผู้ตัดสินบางครั้งท่านตัดสินเองเปรียบเทียบพระพุทธองค์กับพระเทวทัศตถามว่าพระพุทธองค์ไม่มีญาณอย่างรู้มาก่อนหรือว่าเทวทัศน์จะเป็นอย่างไรแต่เป็นเรื่องบุเพกตาปุญญาตาพระพุทธองค์ทรงอุเบกขาแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรม ถามว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านก็รู้ก็เห็นว่าคนที่เข้ามาจะสร้างปัญหากับหมู่คณะแล้วทำไมท่านถึงปล่อยให้คนนั้นเข้ามาคะก็ต้องไปถามท่านดูข้อ2สิ่งที่หลวงปู่ล่าเทศคือชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการน้อมนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติ ถ้าทำได้ก็เป็นการแก้ไขตนไปในทางที่ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เหมือนเทวทัศน์ใช่ไหมคะก็ถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนได้เราก็จะได้รับประโยชน์ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคําสอนเราไปปฏิบัติตรงการข้ามกับคําสอนมันก็จะเกิดโทษกับเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามข้อ3แล้วเราจะมีวิธีเตือนตนอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นแบบเทวทัศน์ เพราะบางครั้งการเขี่ยกิเลส ข, ของครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้พูดไม่บอกตรงๆเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านให้บทเรียนให้เรารู้จักกิเลสรู้จักปัญหาที่มีอยู่ในใจแล้วแก้ไขมันเสียเพราะอยากเป็นคนดีคนที่ได้ชื่อว่าเดินทางตามของครูบาอาจารย์ค่ะถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์เราก็ต้องมีศรัทธาในตัวท่านเต็มร้อย นะคิดว่าไม่ว่าท่านจะพูดมรือทาอะไรแล้วทําให้เราเกิดความเสียใจและเกิดความโกรธนี้ท่านไม่มีเจตนาที่จะทําให้เราเสียใจและเกิดความโกรธแต่มันเป็นกิเลสของเราเองที่ไปเสียใจและเกิดความโกรธเราจึงควรที่จะมาโกรธตัวกิเลสคือความเสียใจกับความโกรธอย่าไปโกรธครูบาอาจารย์เป็นอันขาดเพราะว่าท่านไม่ได้อะไรจากเรา จากการที่ท่านรับเราไปอยู่ไปศึกษากับท่านท่านมีแต่ให้มีแต่การเสียสละอย่างเดียวแต่การสั่งการสอรนนี้บางครัง้งบางคราวมันก็อาจจะไปขัดกับกิเลส ข, ของเราก็ได้พอมันไปขัดกับกิเลส ข, ของเรามันก็จะทําให้เราเกิดความเสียใจบ้างเกิดความโกรธบ้างเราต้องฆ่าตัวนี้ต้องทําลายตัวนี้ต้องเกลียดตัวนี้ไม่ใช่ไปเกลียดครูบาอาจารย์แล้วก็ไปคิดว่าท่าน ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ถ้าท่านไม่ดีแล้วเราไปอยู่กับท่านทำไมท่านไม่ได้ขอร้องให้เรามาอยู่เราไปขออยู่กับท่านเองพอไปอยู่แล้วพอเราไม่พอใจในการกระทาหรือการพูดของท่านก็ไปโกรธเกลียดท่านอันนี้มันก็เป็นกิเลส ข, ของเราร้อยเปอร์เซ็น์คำถามจากคุณทอมข้อหนึ่งพระโสดาบันคือผู้เป็นเช่นไรครับก็ลาสังโยตสามข้อได้ คือรัศกาญญาติทิฏฐิการที่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือร่างกายและจิตและจิตใจนี้เป็นตัวเราของเราท่านเห็นว่าร่างกายและความรู้สึกเช่นเวทนานี้มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไม่มีใครไปควบคุมบังคับไม่ให้มันดับได้ ท่านก็เลยปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือร่างกายไม่ยึดว่าเป็นตัวเราของเราท่านก็หลุดพ้นแล้วท่านก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าคําสอนของพระธเจ้านี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องที่ทําให้ท่านปล่อยวางความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากร่างกายได้ท่านก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็จะเข้าใจกฎขอนแห่งกรรม คือรู้ว่าความสุขความทุกข์นี้เกิดที่ใจของตนเองเกิดที่ตัณหาความอยากไม่ได้เกิดจากการเสื่อมของสิ่งต่างๆก็จะไม่ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเวลาที่เกิดความทุกข์ใจก็จะใช้ปัญญาพิจารณาหาต้นเหตุของความทุกข์ใจแล้วดับควดับต้นเหตุนั้นความทุกข์ใจต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือความอยากต่างๆนี่เอง ข้อสองพระโสดาปฏิมากต่างกับพระโสดาปฏิผลอย่างไรครับคือมากเป็นทางที่เดินไปสู่ผลการที่เราจะได้ผลเราต้องเดินมเดินมากก่อนเหมือนกับการเรียนปริญญาก่อนที่เราจะได้รับปริญญาเราก็ต้องเรียนวิชาต่างๆที่เขากําหนดให้เรียนพอเรียนแล้วเราสอบผ่านเขาก็จะให้ปริญญากับเราโสดาปฏิมาค ก, ก็คือการเจริญ ปัญญาเพื่อให้ละสักกายาทิฏฐิสตัวนี้คือสักกายาทิฏฐิสีลพัฏฐ์ปัลมะและเวจิตกิจฉาการดําเนินการด้วยปัญญาเพื่อที่จะละสังโยชน์ทั้งสามนี่เรียกว่ากําลังเจริญมากพอละสังโยชน์ทั้งสามนี่ได้ก็บรรลุเป็นโสดาปฏิผลขึ้นมาข้อ3ผู้ที่จะเกิดอีกเพียงแค่สมชาติเจชาติ คือพระโสดาปฏิมาคหรือพระโสดาปฏิผลครับต้องพระโซดาปฏิผลต้องบรรลุผลแล้วถ้ายังไม่บรรลุผลนี้ยังไม่ถือว่าได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกําลังอยู่ในขั้นที่กําลังจะบรรลุอยู่เหมือนกับคนที่ยังไม่ได้รับปริญญาใจกําลังเรียนอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาแล้วคําถามจากคุณปีปูจุง ข้อที่หนึ่งจากคลิปสดล่าสุดพระอาจารย์ว่าบุญกุศลที่เราทำช่วยบิดามารดาหายป่วยไม่ได้ดิฉันสงสัยว่าถ้างั้นหลังสวดมนเราแผ่บุญกุศลให้บิดามารดาจะเกิดประโยชน์อย่างไรคะก็ไม่เกิดอะไรมันเกิดกับประโยชน์กับเราเท่านั้นทำให้ใจเราสงบใจให้เราเยน็นเวลาเราสวดมนแล้วเราก็จะสบายใจแต่เรื่องของพ่อแม่ ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาเองเขาต้องสวดเองถ้าเขาอยากจะสบายใจเช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาสวดมนต์ทำใจให้สงบได้เขาก็จะสบายใจมันเป็นภารกิจที่แต่ละบุคคลจะต้องกระทำกันเองเหมือนกับการรับประทานอาหารที่จะต้องรับประทานกันเองแรับประทานแทนกันไม่ได้ข้อที่สองการไปดูพิจารณาศพจะสามารถใช้เป็นการฝึกจิตได้ไหม และควรทําอย่างไรคะการพิจารณาศพก็เป็นการเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่งได้ทั้งสมถะและได้ทั้งวิปัสสนาเพราะถ้าจิตใจเรามีอารมณ์เดียวอยู่กับสรางศพมันก็จะไม่ไปคิดฟุ้งซ่านจิตก็จะสงบได้แล้วมันก็จะเป็นปัญญาด้วยเพราะว่ามันจะเป็นภาพที่สามารถมาทําลายตัณหาคือคือกามรมาลาคะได้ จะไม่มีความอยากจะมีแฟนจะไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครเพราะเห็นคนที่เราร่วมหลับนอนนั้นเป็นเหมือนซากศพคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามดิฉันได้พูดคุยธรรมะกับเพื่อนว่าเข้าใจเรื่องการพิจารณากายกับจิตชัดเจนขึ้นเพราะได้ฟังธรรมะพระอาจารย์สุชาติแล้วเพื่อนได้ส่ง u ูทูบของพระอาจารย์ท่านหนึ่งมาให้ฟังคือเรื่องปล่อยวางความว่าง ดิฉันฟังแล้วคือเรื่องเดียวกับที่พระอาจารย์ได้เทศเรื่องนิ้พานังปรามังสู่ขังการที่เพื่อนส่งมาแล้วดิฉันไม่พอใจแสดงว่าการวางจิตไม่มีอุเบกขาใช่ไหมคะเพื่อนกับดิฉันกําลังต่างคนต่างคิดว่าพระอาจารย์ใครดีกว่ากันค่ะก็ใจเรายังไม่เป็นอุเบกขายังมีรักมีชังอยู่ฉนั้นเราต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆและเจริญปัญญาให้มาก แล้วต่อไปเราก็จะสามารถวางใจเฉยได้ใครจะเชียร์คนไหนก็ปล่อยเขาเชียร์ไปเราจะเชียร์คนนี้เราก็เชียร์ของเราไปคำถามจากคุณนัลลินข้อหนึ่งพวกที่เขาทาอาชีพปล่อยเงินกู้กินดอกเบีย้ยเป็นการทำบาปไหมครับไม่เป็นการทำบาปครัก็เป็นการทำมาหากินอย่างหนึ่งเหมือนกับการซื้อขาย การที่ซื้อขายเข้าวของท่านเขาก็ซื้อขายเงินกันขายเงินไปแล้วก็เวลาซื้อกลับก็คิดราคาหนึ่งเวลาขายก็คิดราคาหนึ่งเหมือนกับเราไปซื้อทองเวลาซื้อทองเขาเวลาเราซื้อเขาก็ขายเราราคาหนึ่งเวลาเราขายเขาก็ซื้อราคาหนึ่งราคาไม่เท่ากันเพราะเขาต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินกิจกรรมและเขาก็ต้องมีกํา ไ, ไร เพียงแต่ว่าจะเรียกค่ากำลายนี้มากน้อยเท่านั้นเองถ้าเรียกมากก็แสดงว่ามีความโลภมากมีความเมตตาน้อยถ้าเรียกน้อยก็แสดงว่าไม่โลภมากมีความเมตตามากข้อสองผมนั่งภาวนากำหนดดูลมหายใจเข้าออกพูโทโธไปเรื่อยๆจนจิตนิ่งสงบอาการปวดต่างๆที่เป็นเริ่มเบาบางลงไปเรื่อยๆจนไม่รู้สึกปวด จิตก็เหมือนกับตกวูปไปในหลุมอากาศเงียบสงบว่างเปล่าเห็นแสงสีขาวผมก็กำหนดจิตไม่ให้สนใจเพราะไม่รู้ว่าคือกิเลสที่มาหลอกหรือเปล่าใช้สติกำหนดพูดโทรต่อไปเรื่อยๆให้มีสติรู้ตัวตลอดจนรู้สึกลมหายใจละเอียดจนไม่รู้สึกถึงลมหายใจเงียบประมาณเกือบชั่วโมงรู้สึกปิติสักพักเหมือนจิตถอนออกมาเอง จนกลับมาได้ยินเสียงลมหายใจชัดขึ้นผมจึงตกใจกับอาการที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันพัฒนาขึ้นหรือถอยหลังและจะมีแนวทางใดที่จะพัฒนาหรือแก้ไขในการปฏิบัติของตัวเองอย่างไรต่อไปครับก็พยายามปฏิบัติให้จิตมันสงบไปเรื่อยๆเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือให้จิตสงบให้จิตนิ่ง แล้วการที่จะไปถึงจุดนั้นอย่างไรก็ไม่สําคัญเมื่อเราถึงจุดนั้นก็ถือว่าเราได้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ระหว่างทางเราอาจจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเราภาวนาของเราต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือความสงบความว่างความเย็นความสบายของจิตคําถามจากคุณพัชรินอยากกําจัดความขี้เกียจ การผลัดวันประกันพุ่งค่ะเช่นบอกกับตัวเองว่าต้องทำสมาธิทุกเช้าก่อนไปทำภารกิจก็ทำบ้างไม่ทำบ้างตื่นสายบ้างไม่เคยทำได้สม่ำเสมอเลยค่ะตัวเกลียดค้านเยอะมากอยากเอามันออกไปบ้างต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะคือส่วนหนึ่งเราก็ต้องมีสัจจะมีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงตัวเราเอง ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ต้องทาตามที่เราตั้งใจไว้สองเราควรจะตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนอย่าไปตั้งทำในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ทำแล้วมันก็จะเสียเสียสัจจะไปควรจะตั้งจิตตั้งใจทำในสิ่งที่เราทำได้แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปทีละ เ, เล็กทีละน้อยเพื่อที่จะ ทำได้ตามที่เราตั้งใจไว้การปฏิบัตินี้ก็จะตั้งเริ่มจากจุดที่เราทำได้ไปแล้วก็ค่อยเพิ่มไปทีเราเล็กเทียน้อยอย่าไปเพิ่มแบบมากไปจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะทำได้แล้วมันก็จะล้มเหลวกลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปคำถามจากคุณสุขุมขเวลาใจมันโกรธขึ้นมาด้วยเหตุตา่าง มีวิธีช่วยให้หยุดโกรธและฝึกให้เราไม่เกิดความโกรธได้ไหมครับวิธีระ ง, งับความโกรธก็คือต้องใช้สติถ้าเรามีเราใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเราไม่ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวความโกรธมันก็จะระ ง, งับไปแต่มันก็เป็นแค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวเวลาเราเผลอไปคิดถึงสิ่งที่ทาให้เราโกรธ เราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาได้วิธีที่จะแก้ความโกรธอย่างถาวรเราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากนั่นเองเราโกรธเขาเพราะว่าเราอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พอเขาไม่พูดอย่างที่เราต้องการให้เขาพูดเราก็จะโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากให้เขาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้เวลาเขาพูดไปเราก็จะไม่โกรธ ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาของความโกรธอย่างทาวรก็คือต้องอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่โกรธเขาคําถามจากคุณเจีิรภไทยทิพย์พอจิตสงบแล้วเหมือนจิตดิ่งลึกลงไปแล้วไปเจอกับความทุกข์ซึ่งทุกข์มากตรงกลางๆแต่ไรตําแหน่งที่แน่นอน พอจิตเห็นสิ่งนั้นเกิดความกลัวแล้วถอยออกมาแต่ก็ยังมองดูสิ่งนั้นมันมืดมืดม ด, ด, ำดำดำไร้รูปร่างมีแต่ความรู้สึกทุกตรงจุดนั้นสิ่งนั้นคืออะไรถ้าเจออีกต้องทําอย่างไรคะเวลาเจออะไรแล้วมันทําให้เรากลัวแล้วทาให้เราทุกข์ก็เราก็อยากไปสนใจมันให้เราบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปให้อยู่กับพุทธโธไป แล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นนั้นก็จะหายไปเรือใจของเราสงบแล้วใจของเราก็จะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งนั้นคำถามจากคุณจิรกรจูจูจิต ค, คิดปรามาศคูบาอาจารย์โดยไม่ได้ตั้งใจให้จิตมันคิดอกุศลแบบนั้นบางทีคิดรุนแรงจนไม่สมควรให้อภัยผมกลัวบาปมากจะแก้อย่างไรหรือว่าเป็นเพราะกรรมเก่าครับ มันก็เป็นนิสัยของเราที่มันจะเป็นอย่างนั้นเราก็ให้รู้ให้เข้าใจแล้วพยายามแก้มันด้วยการใช้สติใช้ปัญญาการต้นเวลาเกิดการจะประมามทขก็พยายามใช้สติหยุดมันบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วหลังจากนั้นพอใจสงบแล้วก็สอนใจว่าเราไม่ควรที่จะไปว่าไขาไปทาไปวิพากวิจารไข ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเขาจะดีเขาจะร้ายมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปดีไปร้ายไปกับเขาแต่า ก, การที่เราไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือไปปา마่เขานี่อาจจะเราจะเป็นคนร้ายขึ้นมาเอง<ม>เดี๋ยวกุต่อมีปัญหาสดไห ม, มถามทางปัญหาสดบ้างก็แล้วกัน ขออภัยนะปกตีตอนนี้เท้ามันจะเป็นตะคิวก็เลยต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยคำถามข้อต่อไปจากคุณพรณนะครับเวลาที่ไม่ได้ไปวัดทุกวันและไม่ได้ใส่บาททุกวันแต่จะได้ทำเป็นบางวันเลยมีความสงสัยว่าปฏิบัติไม่ถูกต้อง แต่ก็จะสำรวมกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะเรื่องของการทำบุญใส่บาตรนี้เราสามารถทำบุญได้โดยที่ไม่ต้องไปวัดก็ได้เช่นวันไหนเราติดธุระหรือไม่สะดวกที่จะไปวัดแต่เราอยากจะใส่บาตรเราก็เอาเงินที่เราจะซื้อของใส่บาตรนั้นใส่กระปุกไว้ก็ได้แล้วก็ทำความเข้าใจว่าเงินนี้เป็นเงินทำบุญแล้วเราจะไม่ไปแต่ต้องเงินก้อนนี้โดยเด็ดขาด แล้วพอเรามีเวลาว่างไปวัดได้เราก็ เ, าเงินที่เราใส่เข้าปลูกนี้ไปถวายวัดต่ออีกทีก็จะทําให้เราได้เหมือนกับทําบุญใส่บาตรทุกวั น, น, นการทําบุญใส่บาตรทุกวันนี้มันมีผลดีคือทานั้นเรามีนิ ส, สัยเสียสละแบ่งปันถ้าเราไม่ทำนี่พอถึงเวลามันจะรู้สึกมันไม่อยากจะทํามันหวงมันเสียดายเงินนั้นถ้าเราทําทุกวันทุกวันนี้มันก็จะทําให้เรา ถึงไ ม, ไม่ไม่เสียดายแล้วเราก็จะปล่อยวางเรื่องเงินทองได้จะไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องเงินทองเหมือนกับคนที่ยังรักยังหวงเงินทองอยู่คาถามข้อต่อไปจากคุณเพชร น, นะครับเมื่อจิตเราไม่ปรุงแต่งแต่เมื่อโดนผัสสะกระทบที่ส่งผลต่อเรามากๆเราจะค่อยๆ ค, คลายหรือใช้ปัญญาไหนมาวิเคราะห์เพื่อเราวางสิ่งนั้นลงครับ คือผัสสะต่างๆนี้ถ้าเรามีปัญญาเราก็พิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจของเราสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายก็คือตัณหาความอยากของเราความหลงของเราที่ไปไปยินดียินร้ายกับผัสสะต่างๆนี่เราต้องสอนใจว่าเราอย่าไปยิ น, ยนดียินร้ายกับสิ่งต่างๆ ให้เราสักแต่ว่ารู้เฉยๆแล้วเราต้องทำใจรับกับภัสสะต่างๆทั้งที่ชอบและไม่ชอบเพราะเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะมาในรูปแบบไหนนี้ถ้าเราไม่มีรักมีชังเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรามีรักมีชังพอเวสพัสไปสัมผัสกับภัสสะที่เราชังเราก็จะทุกข์ขึ้นมาไปสัมผัสกับปัสสะที่เรารักก็จะทุกข์ตอนที่เขาจากเราไป แต่ถ้าเราไม่มีรากไม่มีชังเวลาเขามาเขาไปก็จะไม่ทำให้เขาไม่ทำให้เราเดือดร้อนแต่อย่างใดการที่เราจะมีใจที่เป็นกลางได้เราก็ต้องฝึกสมาธิให้มากๆสร้างอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็สร้างปัญญาสอนใจว่าอย่าไปหวังอะไรจากผัสสะต่างๆเพราะเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับไปจัดการให้มีแต่ผัสสะที่เราชอบเพียงอย่างเดียว คำถามข้อต่อไปจากคุณอาโ น, น์นะครับในชีวิตประจําวันจะเห็นจิตคิดไปในอดีตไปอนาคตแล้วก็มีสุขและก็เป็นทุกข์เราควรจะภาวนาอย่างไรครับถึงจะไม่ทุกข์ก็ให้ใช้สตินี่แหละสร้างสติขึ้นมาหยุดใจไม่ให้ไหลไปกับอดีตกับอนาคตให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปก่อนเพื่อถ้าเรามีพุทโธพุทโธมันก็จะหยุดคิดถึงอดีตอนาคตได้ แต่มันยังไม่หายไปอย่างทาวอนเวลาเราเพลอสติมันก็จะคิดได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะทําให้มันหายอย่างทาวอนเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอดีตกรรนาคตนี้มันเป็นของที่ผ่านไปแล้วหรือยังไม่เกิดอดีตมันก็เป็นเหมือนความฝันมันจะดีหรือจะร้ายขนาดไหนมันก็หายไปหมดแล้วส่วนอนาคตมันก็ยังไม่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราจิตของเราอยู่ในปัจจุบัน ด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของปัญญามันก็จะไม่ไปคิดอดีตคิดอนาคตให้เสียเวลาเปล่าๆเพราะเหตุการณ์ต่างๆมันจะเกิดก็เฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นแล้วถ้าเราสามารถควบคุมใจของเราให้รับกับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์การจะรับกับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาคือใจเป็นกลางไม่รักไม่ชังกับสิ่งที่เรารับรู้ที่เรา เผชิญแล้วปัญญาก็สอนให้ปล่อยวางอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คำถามข้อต่อไปจากคุณมักขินนะครับการเข้าสภาวะนิพพานในแต่ละระดับจิตเราจะรู้เองใช่ไหมคะไม่ต้องถามใครให้ใครมาบอกใช่ไหมคือคาว่านิพพานนี่ความจริงเป็นคำที่ไม่ได้หมายถึงที่คุณกำลังพูดถึง ที่พูดถึงนี่คือความสงบหรือสมาธิมากกว่าที่ทุกระดับจิตสามารถเข้าได้แต่คำว่านิพานนี้ต้องเป็นระดับของพระอรหันต์เท่านั้นถึงจะเข้านิพานได้นิพานก็คือความสงบสมาธิก็คือความสงบแต่สมาธินี้สงบชั่วกล่าวแต่นิพานนี้สงบอย่างถาวรผู้ที่จะเข้าถึงนิพานคือความสงบของจิตอย่างถาวรได้นี้ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้น ส่วนผู้อื่นผู้ที่ปฏิบัติสมาธินี้ก็สามารถเข้าได้แต่เป็นเข้าเป็นครั้งเป็นคราวเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องถอนออกมาพอถอนออกมาความสงบนั้นก็จะหายไปคําถามข้อต่อไปจากคุณพชณีนะครับเมื่อเดินจงกรมและนั่งสมาธิรวมเกือบชั่วโมงและรู้สึกเหมือนจุกที่ลิ้นปีคล้ายถูกปิดกั้นลมควรจะพิจารณาอย่างไรดีคะ ก็พิจารณาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ได้คือมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่งอยู่แล้วเดี๋ยวก็ดับไปแล้วเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปกำจัดมันไม่ได้เมื่อมันอยู่เราก็ต้องทำใจอยู่กับมันไปอย่าไปวุ่นวายอย่าไปอยากให้มันหายเพราะถ้าเกิดความวุ่นวายใจแล้วมันเทเี่เกิดความทุกข์ขึ้นมา ช่วงนี้หมดแล้วครับอาจารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสําหรับวัน น, น, น, น, นี้ท่านที่มีปัญหาอะไรก็รอไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันส่วนปัญหาที่ถามมาจากทางบ้านก็ไว้รอตอบพรุ่งนี้ต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด